ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปโนติยานได้นำเสนอเรื่องสัมมาวายามะในช่วงของภาวนาประธานคือเพียรเจริญกุศลแล้วก็เพียรรักษากุศลโดยไดย้ยกตัวอย่างนาถาการณธรรมคือทมอันเป็นที่พึ่งสิบประการซึ่งก็ได้นำเสนอมาโดยลำดับ แล้วข้อต่อไปนั้นท่านทรงใช้ัำว่ากิงกุงกริเยสุทักตาคือเป็นผู้มีความหมั่นขยันในภารกิจการงานที่ตนต้องรับผิดชอบเป็นการพูดในช่วงของการทำงานหมายความว่าในการทำงานอะไรก็ตามเมื่อประรบดีเรื่องจะกระททำแล้วก็มีความมุ่ง ม, มั่นในการกระทำงานเหล่านั้น ไม่ทอดทิ้งมีความฉลาดมีความสามารถในการฏิบัิภารกิจการงานเหล่านั้นจนกว่าจะบรรลุผลตามที่ตนต้องการมีข้อที่น่าสังเกตนะฮะนอกจากว่าอยู่ข้อนี้แล้วในข้อต่อไปเนี่ยต่อไปอีกข้ามไปอีกข้อหนึ่งเนี่ยมันจะมีวิริยะอยู่ด้วยเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทำงานทุกเรื่อง คือไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเป็นความเพียรที่เป็นไปทางกายหรือเป็นไปทางจิตก็ตามจะต้องมีความมุ่งมั่นจะต้องอดจริงอดจังอย่างที่ใช้คําว่าถ้าจะทําให้การให้ทําการงานนั้นจริงๆใิ้บากบันพยายามทําในสิ่งต่อนั้นให้มากบนเส้นทางของการใช้ความเพียรพยายามนั้นอาจจะต้องประสบอัุ่นรายปัญหาขวากหนามอันตรายต่างๆ ซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาอย่างที่เราพูดกันว่าชีวิตของคนไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบการฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายทุกลำดับขั้นตอนของชีวิตนั้นเรามองไปที่องค์พระพุทธเจ้าซึ่งทรงมีบา ร, รมีแก่ล้าสามารถจะสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่เอาเป็จริงก็ต้องประจนกับปัญหาอุปสรรคอันตรายมากมาย การลองผิดลองถูกกันกว่าจะประสบความสําเร็จและเมื่อสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแล้วก็มีปัญหามีอุปรสรรคมีคนขัดขวาง ม, มีคนรังเกียจมีคนใส่ร้ายป้าสีก็สารพัดเนี่ยได้ความมุ่งมั่นในภารกิจการงานของบุคคลที่เราเรียกที่ทรงใช้ก็มาความขยันดีความหมั่นขยันเราไม่ค่อยพบนะฮะคําว่ากิงกรินเยสุทกตาเนี่ยไม่ค่อยพบบ่อยนะ ก็เรียกว่าในหนังสือนักธรรมยันตรีนะักธรรมยันโทนี่มีอยู่แห่งเดียวนะเนี่ยนะักรรมยันเอกด้วยนะฮะมีคําเดียวนะเนี่ยอยู่ในนาถา ก, กานธรรมเพราะต้องการเน้นย้ําให้คนได้สนะถึงภาร ก, กิจที่ตนต้องรับผิดชอบปัญหาสําคัญในการทํางานของบุคคลเราในการศึกษาเราเรียนยหรือแม้แต่ในการปฏิบัติบาเพียงเพียงทางจิตปัญหาใหญ่มันก็อยู่ที่ความไม่ค่อยหมั่นขยัน รักโโที่แปลว่าความขยันเนี่ยมันมีลักษณะของความบากบั่นความมุ่งมั่นที่จะมุ่งตรงไปสู่ผลที่ตนต้องการคือจบจนกว่าจะสําเร็จตามที่จุดประสงค์เอาที่ตนประสงค์เอาไว้ทําให้สําเร็จก็ไม่ทอดทิ้งความเพียรพ ย, ยักเพราะนั่นเอนว่าธารรมะทั้งสามข้อเนี้มันจะเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพื้นฐานเนี่ยต้องมีการเจริญกุศลธรรมะกลุ่มนี้เป็นธรรมะกลุ่มภาวนาประธานหมายความว่าถ้าเรายังไม่มีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราเทียบเคียงแล้วทุกคนก็มีนะมีอยู่ระดับหนึ่งก็แสดงว่ามีอนุรักษณาประธานอยู่ด้วยโดยในข้อต่อมาเนี่ทรงชง้กับธรรมกามตาคือเป็นผู้พอใจเป็นผู้ยินดีในธรรม เพราะว่าสิ่งที่เราจะยินดีหรือไม่ยินดีเนี่ยมันก็มีสองอย่างไงคือกุศลกับอกุศลปัญหาว่าใจเรายินดีในกุศลหรือยินดีในอกุศลคือถ้าเราไปเคาะผาสมาคมกับคนผ่านก็แสดงว่าเรายินดีในอกุศลในตัวคนผ่านคนผ่านก็ชักจูงล่าขายไปที่ไหนก็ไม่รู้มันก็มีปัญหาที่กัลยาณมิตร เพราะทำไมเรานี่ที่จริงจะจะเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันมันมีลักษณะของความเป็นกระบวนการคือเมื่อขยับแล้วมันก็ขยับไปด้วยกันเพียงแต่ว่าจะเน้นในจุดใดทต่ น, นั้นเองวันก่อนได้ไปทำรายการโทรทัศน์ที่เรือนจำที่ทนบุรีคือท่านผู้บวยการท่านก็เปิด แดนหนึ่งให้เอาห้องโถงทั้งห้องเนี่ยให้เราทำรายการโทรทัศน์ก็พอดีในช่วงช่วงพักระหว่างเที่ยงกับก่อนที่จะเริ่มรายการในภาคบ่ายเนี่ยจะมีผู้ผู้ต้องขังที่เข้ามาร่วมฟังการทำรายการธรรมะจะมานั่งอยู่หลายคนโดยก็เดินไปคุยเข้าแถวหนึ่ง เป็นการซักถามดูว่าพื้นฐานความรู้เป็นยังไงต้องคดีอะไรผู้แรกเป็นเรื่องนี้น่าตกใจนะฮะบางคนมีความรู้เป็นถึงด็อกเตอร์นะเป็นยาเอกก็มีเป็นยาถูกก็มีเป็นญาตรีก็มีปวสปวชก็มีแต่ว่าต้องคดีเรื่องที่เกี่ยวกับสัก เธอเลยทดลองถามหนุ่มคนหนึ่งบอกว่าเธอขโมยไปได้เท่าไรเขาบอกว่าได้สองพันถามว่าถา้าเธอย้อนเวลาได้เนี่ยเธอจะทํำไหมไปต้นก็สองพันแล้วก็ติดคุกตั้งสิบกว่าปีเนี่ยเธอยินดีจะทําอีกไหมเขาบอกว่าไม่ทําแต่เราก็ไม่อยากจะซักรายละเอียดมา ก, ก น, นะคือคือจะเห็นได้ชัดเจนนะ่ะว่าจิตใจมันมีความโน้มเอียงไปในทางนั้น หรืออาจจะถูกบีบคั้นมาจากข้างนอกหรือบีบคั้นมาจากข้างในนะฮะแต่ว่าถ้าเราดูแล้ววุฒิภาวะในด้านการศึกษาเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์คนที่เป็นด็อกเตอร์นะฮะก็ผิดที่เกี่ยวกระซั์เหมือนกันระดับที่บริษัทอะไรที่เกี่ยวกับการชอ่ชชอฉนช่อโกงอะไรอะไรเนี่ยแต่คนที่เป็นพยาธอนั้นก็ฟังที่เธอเล่าเนี่ย แราแสดงว่าเป็นคนสู้ชีวิตมาแต่ว่ามาเกิดเป็นความเยาวความเคราต่อโลกคือเป็นความอ่อนไหวต่อกระแสของโลกอะไรสุดก็ถูกหลอกถูกต้มจนกลายเป็นเครื่องมือเขาแล้วก็กลายเป็นการกระทาความผิดในคดีอาญาแต่ถ้าเรามองย้อนกลับเป็นยังไงก็ตามมันก็เห็นอย่างหนึ่งนะ เพราะว่าจากการที่พูดคุยกันปรากฏว่าในจำนวนคนหกพันกว่าคนเป็นต้องคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดมีการผิดมีการจำน่ายมีไว้ในครอบครองและประเสษทั้งหมดนะฮะในกระบวนการยาเสพติดนี้มีถึงแปดสิบเปอร์เซ็น ในก่อนอยังนึกว่าจะมีสักขนาดหกสิบประเซ็นต์เพราะเคยรู้นะว่าเปอร์เซ็นต์นี่จะสูงมากเคยไปรวมที่สมุดประการก็สอบถามก็ดูก็หกสิบเกือบเจ็ดสิบอร์เซ็นแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าที่นี้มีตั้งแปดสิบเปอร์ซก็มายความ่าร้อยคนน่ะเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติดจะตั้งแปดสิบคน ทีนี้ถ้าเรามองลึกไปในขณะที่มีการทำรายการเนี่ยแล้วก็เปิดโอกาสให้ก็ทำปัญหาคือปัญหาที่ถามเนี่ยนั้นแสดงถึงการไม่มองทั้งกระบวนการที่จริงเราพูดรูกไฟดีทุกไฟสูงหูกไฟต่ำมันก็มองได้ขนาดนั้นนี่คือจริงๆแล้วเลยก็ต้องอธิบายเต็มฟังเลย อธิบายติดฟังบอกว่าจะยังไงก็ตามแลหละคือในกระบวนการเนี่ยมันเป็นกระบวนการยุติธรรมแน่นอนศาลเป็นคนตัดสินราชทัณฑ์เป็นคนควบคุมตคมคำสั่งของศาลแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ตัวเหตุให้เราต้องติดคุกโดยเราต้องติดคุกนั่นคือจิตเราที่ตั้งไว้ผิดแต่เราคิดผิดวูบของชั่วอารมณ์ ที่คุณอาจจะฆ่าคนคุณอาจจะหลักทรัพย์คุณอาจจะเสพยาเสพติดซึ่งคุณอาจจะไม่เคยเสพมาก่อนแต่คุณเสพในขนาดนั้นนะ่ะมันก็เป็นความผิดกฎหมายแล้วก็แต่ในแต่ในขณะเดียวกันเราก็พูดให้ขาลังใจก็หน่อยนะบอกว่าโอกาสต่อไปเนี่ยมันมีค่า ว, ว่าก็าจะเปลี่ยนแปลงวิธีการลงโทษ คือพวกที่เสพพวกที่มีไว้ในครอบครองไม่มากเนี่ยแต่ว่ายังนึกว่ามันมันจะออกไปทางอื่นดิคือถ้ายังมีคนไป่ต่ำอยู่เนี่ยก็ออกไปทางอื่นได้นะคือก็บอกว่าถ้าครอบครองไว้ไม่เกินยี่สิบห้าเม็ดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นผู้เสพแล้วก็ถือว่าเป็นคนป่วยคือจะต้องเอาเข้าไข้ปืออบพรมเข้าไข้บํา บ, บัด ไอร่วมมือกับทหารนะปะนัญหาเหล่านี้มันปัญหามาจากเกิดจากจากธรรมคือไม่ยินดีในธรรมะไม่ยินดีในความดีพูดง่ายๆว่าฝ่ายต่างคือคนเราต้องฝ่ายสูงไว้หน่อยปัญหาเหล่านั้นมันเป็นปัญหาที่ไกลตัวแต่ว่าเราก็วิ่งเข้าไปชนปัญหาเอง เดี๋ยวก็ยกตัวอย่างให้เขาฟังว่าอย่างพวกคุณติดทั้งหลายเนี่ยคดีของพวกคุณเนี่ยคุณเราสังเกตว่าทรัพย์เนี่ยมันอยู่ที่เจ้าของเขาแล้วคุณก็ไปทํายังไงก็ไม่รู้แหละก็ไปได้มาคุณอาจจะจี้คุณอาจจะปล้นคุณอาจจะฉกจะลักขโมยก็ไม่รู้อ่ะแต่นั้นก็แสดงว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวทรัพย์ เพราะทราบที่เจ้าของเขาครอบครองเนี่ยมันไม่มีปัญหาเนี่ยแต่ว่าคุณไปแย่งเข้ามาเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงนั้นความผิดมันก็นอยู่ที่ใจเราเพราะฉปัญหาตรงเนี้ยมีเทวดามากราบทูลถามพระพุทธเจ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนจะเป็นคนเสื่อมหรือว่าจะเจริญพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าคนจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ง่าย คือผู้ใดใคร่ทำก็เป็นผู้เจริญผู้ใดชังทำก็เป็นผู้เสือ่อมจึงกระพูดง่ายๆบว่าไฟสูงไฟต่ำที่จริงปัญหาเหล่านี้มันไม่น่าจะเกิดแต่ยังนึกนะฮะยังยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเศรษฐกิจอยู่ด้ว ย, วยและเป็นปัญหาอารมณ์ที่ยั่วยุวนอยู่ด้วยแล้วก็กลับมาจากทํารายการก็มาดูข่าว มีข่าวตำรวจไปจับผู้หญิงที่ไปหากินในทางที่ไม่ควรเนี่ยะฮะโรงแรมแห่งเดียวไม่น่าเชื่อนะ70ะนวกว่าคนแล้วดูก็อายุอย่างน้อยเลยเกิน 20-40 ตีติ็รยงานนะฮะอายุ 20-40 ด้วยคำตอบของเธอเป็นคำตอบที่น่ากลวัวความสำนึกถึงความเป็นกุลเรตรีสุภาพเรตรษี เป็นลูกหลานของสกุลเนี่ยมันหายไปไหนหมดอ่ะเธอบอกว่ามันหาเงินง่ายดีแล้วก็ได้มากคือเป็นเป็นรายได้ที่ที่มากแต่ว่าไม่ต้องลงทุนลงแรงมากลุกไฟขนาดนี้อันตรายจังแล้วดูหน้าตาอนเธอเนี่ยแสดงมีการศึกษาคือบางคนก็ก็เห็นหน้านะครับบางคนก็ปิดหน้า แต่เรามองแล้วเนี่ยมันก้อนนี้คือคือแสดงให้เห็นว่าคนเหลานี้สร้างปัญหาแก่ตัวเองแล้วกฎหมายเนี่ยมันก็ปราบถูกได้เกินนะก็ปราบแค่ห้าร้อยแล้วก็ปล่อยหมดทาทะเบียนประวัติไว้ไปถ่ายรูปเก็บไว้ก็อย่า ง, ง น, นั้นนะมันไม่เกิดเสนอกราบจําคือวิ่งหนีก็วิ่งหนีะวิ่งหนีขึ้นแท็กซี่ได้ก็วิ่งหนีแต่ว่าที่จับได้เนี่ยเฉพาะที่จับได้เนี่ยเขาบอกว่าเจ็ดสิบกว่าราย ตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยนะมาเกิดมาจากคนไม่ใฝ่สูงคือไม่สํานึกถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองอเลยเห็นว่าการตกเป็นทาสของสิ่งเสพติด ก, ก็ดีการหลักขโมยก็ดีหรือว่าการไปหากินในทางนั้นยิ่งน่าขยะขยะงนะฮะยิ่งน่าขยะขยงยิ่งน่ารังเกียจมังคิดได้อย่างไงแล้วก็ทําไปได้อย่างไง ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าห่วงแล้วเราก็ได้ข่าวมาจากองค์การสหประชาชาติหรือจากการสำรวจองค์การสหประชาชาติเนี่ยเวลานี้วัตดรีเอเชียนะฮะทางเอเชียอะไรทางเท่าบีบยคือไปหากินในทางเพศนีย่ยเยอะขายบริการทางเพศเนี่ยจะมากขึ้นซึ่งกลายความโอกาสที่จะ แต้โรคเอดโอกาสที่จะเกิดปัญหาในด้านต่างๆตกอยู่ในอำนาจของกลุ่มอิทธิพลมืดจังยากซ่าและแอะไงต่างๆมันจะตามมาอีกเยอะเลยตอนนี้ถ้าเรามีความยินดีในธรรมะโดยสนใจที่จะศึกษาสังเนียะระมัดระวังสร้างความสำนึกอย่างวันก่อนก็นกไปถามเด็ก้วปรมเด็กกับเด็กผู้หญิงก็ อายุขนาดเออเด็กมอดสามสี่ห้าหกเนี่ยนะถามว่าใครเคยอ่านสุภาษิตสอนหญิงก็สุนทรผูดไหมไม่น่าเชื่อเลยไม่มีใครยกมือเลยสักคนเน่งถามเคยได้ยินชื่อไหมไม่เคยได้ยินเลยเก็ว่ายแต่ฟังหน่อยหนึ่งบอนนี้คนรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยนะก็สร้างสำนึกกันือให้คิดได้ดีแล้วก็พยายามกักงวนสงวนตัว รักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นคุณสตรีแล้วก็ว่าตอนแดกไอ้ควัง น, นะฮะได้เกิดเป็นสตรีนมีศักดิ์บำรุงรักษากายเป็นผลสงวนงามตามระบอบไปชอบคนจึงจะพ้นภัยผ่านการนินทาเป็นสาวแท่แร่รวยสวยสงา่กาก็หมายมากเหมือนมณีมีค่าแม่แตกแล้วรันรอยต้อยราคาจะพลอยพาออหอมาากกามา่ากายนาตัวตม่มระยะทำให้กายสูงโด ย, ย่่งยูยังมีแวที่ว่งหงนน่งเป็นต้น เป็นเอกลักษณ์เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของนกยูงที่มีแววแล้วก็เรามันต้องมีแววแววของความเป็นผู้ดีแววของความเป็นคนดีแววของคนมีเหตุผลมีแววของสติปัญญามีแววที่จะรับผิดชอบในเกียรติยศศักดิ์ศรีของตนเองของะกุลผมประเด็นเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสํานึกนะฮะหรือคนเราถ้าขาดความสํานึก คือมีความพอใจยินดีในความดีงามแล้วเราก็ยากมากปัญธรรมกรรมตาเนี่ถือว่าเป็นเป็นตัวการหลักเลยมันสร้างความโน้มเอียงภายในใจแต่ความลองสังเกตว่าจริงๆเนี่ยมันเนื้อหาสาระเดียวกันกับคําว่าอเสวนาจะพาลาหนังปัณฑิตา น, นั้นจะเสวนาเพียงแต่ว่าตรงน้นด้วยการแสดงธรรมะที่ตัวคนคือมันออกมาเป็นตัวตนของบุคคลแล้วคนเหล่านั้น คนพาณนั้นก็สุจริตทางกายทางวาจาใจแล้วบัณฑิตนั้นก็สุจริตทางกายทางวาจาใจแล้วแต่ว่าไอ้สุจริตทุจริตแต่มันเป็นธรรมะอาการที่สุจริตทุจริตนั้นเป็นอาการของธรรมะแต่ก็ปรากฏที่คนเรากลายเป็นคนพานกลายเป็นคนบัณฑิตแล้วที่จริงก็คือการยินดีเข้าหาสมาคมกับบัณฑิตก็แสดงว่ามีพื้นฐานของความเป็นคนใล่ธรรมคือยินดีในธรรมะ แต่ว่าไปยินดีเฉยๆไม่ได้ต้องมีความหมั่นขยันในการศึกษาในการพินิษฐ์จัญาในการประพฤติปฏิบัติในการพัฒนาตัวเองให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนิสัยมีความเจริญข้าวหน้าสูงขึ้นคือไม่ใช่ว่าแสดงความสนใจแต่ทำมาเฉยๆแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนในเชิงพฤตินิสัย มีการกระทําที่เป็นทุจริตอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้ยินดีในธรรมะจริงๆเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในความใคร่ในธรรมเนี่ยจะต้องมีความขยันเพราะนั้นจะไม่มองดูในกระบวนการของกิจที่บาททั้งสี่ยในบาททั้งสี่ประการนั้นคือเมื่อเรามีฉันทะคือมีความพอใจก็คือยินดีในธรรมะนั่นแหละแต่ว่าก่อนจะยินดีหรือไม่ยินดีเนี่ยมันต้องผ่านการใคร่ควรวญการพิจินต การพินิจพิจารณาสกอร์ที่ทรงใช้ในที่นี้ว่าวิมังสาคือมันตรวจสอบมันพินิจพิจารณาสกอรว่าอะไรควรเว้นอะไรควรประพฤติเพราะการยินดีในเรื่องที่ควรประพฤติกับการเว้นในเรื่องที่ควรเว้นมันก็เข้าในกระบวนการของสมัยวายามะทั้งชุดเลยหนะมายความว่าในส่วนที่เป็นอกุศลก็ขยันในการที่จะป้องกัน แล้วก็ที่บังเกิดขึ้นแล้วก็มีความมั่นขยันที่จะพยายามขาจัดปัดเป่าให้ลดน้อยถอยลงไปในส่วนของความดีก็มีความมั่นขยันที่จะเพิ่มพูนความดีเกิดขึ้นหนกลมบกลุกพลัลงพลาดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสารพัดมันไม่ประสบความสำเร็จอะไรง่ายๆหรอกแต่ว่าถ้ามีความมุ่งมั่นอยู่สูงมันก็กลายเป็นวิริยะเราเหนะ็นมาชันท้ววิรยิยะ วิญญาณก็คือมีความกล้าหาญมีความเพียรพยาหมีความมุ่งมั่นเป็นอาการเดียวกันเพียงแต่ว่าขยันนั้นเราจะพูดเฉพาะปัจจุบันผู้จีปัจจุบันปัจจุบันขณะที่เราทํางานในกรณีนั้นๆเนี่ยนะจึงในกรณีตรงนั้นแหละก็เรียกว่าความเพียรก็ได้เรียกความขยันก็ได้แต่บางครั้งนี่เราพบบ่อยเหมือนกัน คือเรื่องใหญ่ๆเนะ่ะเรื่องใหญ่ๆเนะี่ยจะมีทั้งวิรยิยะและจะมีทางทักษะคือขยันได้แก่การกระทาํางานเนี่ยเอาจริงเอจังปฏิบัติอย่างเอาจริงเอจังเรียนอย่างเอาจริงเอจังเนี่ยเวลานี้รู้สึกว่าค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าในทํากลางเศรษฐกิจสังคมเป็นเช่นนี้การศึกษาเป็นเช่นนี้ถ้าหากว่าคนมีความ ไฟในธรรมน้อยลงวันก่อนนี่ไปเป็นประธานสอวิทยานิพนธ์ก็เป็นดีเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันนะฮะเขาเป็นอาจารย์ที่มาเอาแต่รามคำแหงเป็นรองศาสตร า, าจารย์ก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยพอสอบวิญญทยานิพนธ์เสร็จก็คุยกันก็ถามมาสอนเรื่องอะไรแกสอนหลักการในการครองชีวิตก็ เขก็ส่งหนังสือให้เปิดดูนะ ก, ก็เปิดดูบอกก็เออดีเป็นการอธิบายธรรมะธรรมดานะฮะธรรมะกับปริญญาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธรรมะเพียงแต่ว่าในค่อยใช้สับแสงทางธรรมะก็เปิดดูผ่านๆก็บอกก็เออเดี๋ยวเขาเป็นมหาป ร, ริญญาด้วยแล้วฮะก็จบทางปริญญามาด้วยก็มาเอามาพนวกกันที่เราดีใจเนี่ยคืออะไรคือเด็กมาโรงเรียนในวิชานี้ตั้งสามหมื่นนะ ไม่น่าเชื่อว่าปรัช ญ, ญาเด็ ก, กเรียนไม่ถึงาศาสนาก็เรียนไม่ถึงพอเปลี่ยนชื่อภาษาทั้งท้งนี้เนื้อหาแบบเดิมนะเด็กสมัครเรียนกันมากเด็วเขาเรียนเาก็สงสัยว่าทำไมจึงสมัครเรียนกันมากเขาบอกว่าพ่อบอกให้เรียนพ่อบอกให้ลงวิชานี้แต่มาเรียนกันเป็นจำนวนมากทำให้เรามีความหวังอะไรอยู่ว่าที่จริงในแวดวงของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มันก็มีโยชนเรากลุ่มหนึ่งไม่ใช่กลุ่มไม่น้อยนะฮะกลุ่มค่อนข้างมากทีเดียวมีความใส่ใจมีความสนใจในการศึกษาธรรมในการใข่ธรรมเพราะงั้นมันก็ปุนี้ก็เดินไปได้ทั้งกระบวนาคือมาความมาไข่ในธรรมก็คือพอใจยินดีในธรรมแล้วก็เพียนพยายามในการป้องกันบาปในการขาจัดบาป ในการเจริญกุศลในการละอกุศลมันก็อยู่ในสูตรนี้แหละโดยความมั่นขยันเอาจริงมาจังกุศลแม่เพียงเล็กน้อยก็ต้องพยายามลดหลั่นอกุศลแม่เพียงเล็กน้อยอกุศลแม่เพียงเล็กน้อยก็ต้องพยายามลดลักุศแลแม่เพียงเล็กน้อยก็พยายามจะเจริญขึ้นแล้วถ้าหากว่าทําบ่อยๆทําอย่างต่อเนื่องเนี่ย มีความมุ่งมั่นก็เรียกจิตตะคือมีจิตใจมุ่งมั่นเอาจริงอดจำมุ่งไปสู่ผลคือความสําเร็จตามที่เราต้องการความต่อเนื่องในการพยายามประพฤติปฏิบัติก็จะได้หลักคือเป็นที่พึ่งพํานักแก่ชีวิตชีวิตเรายังไม่สิน้นก็ดิ้นรนกันไปเรื่อยๆก็สู้ชีวิตกันไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้ลองสังเกตว่ามันทีมั น, มนสืบเนื่องมาจากการก็้าาสมาคมกับการละยายนามิตร แล้วก็การเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายมันมั น, ม น, มนทั้งหมดมันเป็นกระบวนเนีฮะมันเป็นกระบวนการคือถ้าเราไปสะดุดตรงไหนสักแห่งหนึ่งจนสมมติว่าเราเป็นคนบ้ายากสอนยากในขณะที่เราขยันเนี่ยในขณะที่เราขยันแล้วเราก็เป็นคนบ้ายากสอนยากมันขาดธรรมากามาตาคือขาดความใคร่ในธรรมะ ปิดพลาดอะไรก็ดันตัวรังไปในที่สุดมันก็กลายเป็นมิจฉาวิญญาณคือความพยายามในทางที่ผิดเพราะการจะเกิดเป็นความขยันในทางที่ชอบจึงมีพื้นฐานอยู่ที่ความค่ายธรรมประการว่า ง, ง่ายสนง่ายก็ดีการเข้าพสมาคมกับบรรดานามิตรก็ดีนั้นถ้าเราดันเกียรติธรรมมาแล้วมันก็เกิดผลอะไรขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นทั้งสิทธพ่อเนี่ยทั้งสิทธพ่อจึงเป็นกระบวนการ เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันข้อหนึ่งเกิดข้อสองเกิดข้อสามเกิดก็แล้วแต่ว่าจะเกิดจากข้อไหนก่อนก็ได้น่าจะเป็นกระบวนการที่จะขับเคลื่อนนําชีวิตของเราให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยสายมีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นประการสำคัญต้องฟังเท่าไหร่แต่หลวงพ่อพุธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาหนึ่งเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรม